เอหงไคือด้ทำได้หรือทำไ้เหยนัชันี่บ้เ็หลนี้กับนา้อยู่่กันสสมสมาถามไว้จดดีเสนาเขากันี่อใขนาดแ่ เขาจเอาแต่งนั่น จ, จ, จ, จนไปอีกมือ น, นั่บดีบานให้มาเหมาะสมให้เกิด่วบ้าแ่ง่าถ้ามาที่ฟ้านนี้สะนับบได้ากันนี้นยังไงกเ่องเพรากลัสบข้าบานนั่กข้าใ้จ่ายอย่างเงี้ยดีแต่ไม่ใชบได้ ตนันสามก็เทียาถั่อเีนีน้ปากต่าง้่างีส่าาามข่กันอแงเป็เชื้เป็น้อนสังเนะฮะเต่าิ้เย็น้่ต่ัวนอยแค่เลยิ้มจน้ำจว่่้อันไหนค สั่งเ่เรื่องหนเหน่อยได้ก็จมแต่เช่อจเาไม่จมก็เจ้าหนีแหละขาให้ใ่อหนักไหมแต่ื่ยินี่ยเรื่อง้นี้า่อหนัรงิงเนี่ยจมเนน้ำผูด้างมเหมือนจมเลยยกส่ยกข้ามได้คิดว่าันจม่างข้คิดแต่ตอนี้ตัจเ่วดีกันถึงอย่างตอนนี้แต่จะ่วยกองไหวก้องมอันนี้ไหวังเลย ดังรกิดไปถึงหูข้าอินนะครับเห็นกันต่างกันเพิ่อข้าอินในเล่าแม่เชียงเชียงสายต่าเบิ้งจะนงคุยแล้วเถื่อเท่ต้นไปไม่บอกว่าเท่เน่ยเป็นข้าอ่นอมีข้าวใต้าวในข้าวอย่างรก็ด้ยินจะม่จับจมเหตุกาุน้ำพุนี่คือนึ่งว่าน้ำพุน้ำพุนั่นแต่วมีใครสืบเหตุการเชียง สายข้าตาแดนี่ติเต็ม่ากเลแค่มันเต็มน้ำผึ้ยไหลเจ้าสายไดเหอเจ้าเอาสายหน่นี่ชายินชาอย่ห้รับาอินชาเล่าไปใกล้งเลยใกล้ขี้แครงเลยมือสาย้าัโตเรือยัไม่คุด เส้นซ้ายี่ใหญ่ไหมใหญ่ไย่างโลกแค่มึงอยู่นั่นอยากได้จายได้คือได้มึงอยู้าได้แตเอาซ้านันาจากเสียวลมไปกลางอเลี้ยตายร่งตอะไรไปมึตายเส้นซ้ายอนี่แัง้ตายขึ้นี่ต่องเ้นตายขึ้นสับโยง เนนมเนี่ยอันไหนใจสจะคายใจอัหะนดีอยู่เสยใจอันนั้นเราควเบงเลืดหาแล้วล่ไ่าใจใจนนมัวหนามัวนงเดินว่าสอันไนจ้าไปมีด้นตาใส่กี๊ข้น น้าตาเห็นไปก็ถี่าก้างเจ่กับตาล้างเก่าหัน hey อ้าวน้าขาย่ามกเถ้านอนเดียวใสนนี่สายซาสังใช่ไหมสาจะไม่นีก็ไ่ได้ตกอยู่นีเสำถือว่าท่ามใบใส่ว้ให้ถืออย่างไดหน่อยไม่ไล่เลี้ยงขนาดไหนจะให้เบสเกสะสมเอาไว้น้กระเที่ยนแช่นั่นองเบสให้ตีไต่หน่อยจะเร่มมุเรื่องไปได้นั ที่สี่นม่กอันนั้นอันน่มาายล่างไชี่เนี่ยเชี่ยตาสาวกลมส่เส้นตัดผมมาเจ้ากวางให้เชี่ชาแยังสี่นเามันแคบ้ระสอนึงระสอนึงเท่าสี่นิ้วหนึงแต่หกร้อบาทหรือวห้าสี่ขวบหน่น่ามันไม่เคยเดือดสาหรับสิ เวลห้าวนี้สีจีนมาแค่แต่แค่นี้ขาเชื่อว่าราคาของีห้เป็นเศรีหน้าเนี่ยนี่มันเป็นข่าวนื่อยไหมครับเวลาห้านี่มันาคาเยอะเแลาห้าวัดห้าแดดไม่ราคาแพงใช่ไหมเดเห็ดเชียน่อเห็ดตานเชื่อกันหรอเวลห้นี่ไข่ช้างห้าสี่สีและ้วท่านผมงลยนี่ ใน่นี่ยเวนาบอ้องออนจะขี้ละแค่หนึ่เพื่อสามสามห้าต้อขสิหนงสีน่สเรลือสด้วยหอยลึกถึงจังละใช้ใหญ่เ่ยแะ่หึ่งขางิตกระเป๋าเข็มอเน่ยผู้นึ่งของกล้ผนึเต็ม่อันเสียใส่ได้บริหลายจะลุหนึ่เพื่อสาต้องการล่างไว้สามสองข้นใจนซ์สาม้ เป็นซีนส์คืักันเห็ดคนตกไปี่ดีซูซัวได้แล้วนั่เอียนพักันเห็ดซีีที่แย่มากตัวอย่างแรกเมื่่ฟงเง้ยงวแต่เมื่อใส่ข้าวันเชื่อมเป็นตนเอาไว้ตุ๋กตากเอาไว้ก็่ายข้ดีแล้วเป็นซแต่นี่นี่ยนะแล้เป็นซึ่งเห็นจะไหลแต่เรื่องข้าวเมื่อน้าไป นงกห้าวเหว่ขอมีขนท่านนแสงขอมีหนลอยใหท่าบงกระเ่ากัาเหวอาห้าเพียแช่น่ร้นท่าแสงเกิดบุญเด็กกูเสนหลายองค์ท่านบาอมีล่าอนท่านแสงขมีล่างให้ท่านบาทแคิดเกวบเถากลางเว่ท่านบาทไม่รู้ห่ น่ยทาหนก็คือที้างถงี้่านการเสียขละไม่ใจนเกิน้างเนี่ยจิดาวบนนีอยน่งีสุดกินไปข้งดับไอเพมบ้าหาาท่านบก็งนีตอนนี้่องี่ต้องสงกัเลเก็บดท่าตลาดานปากถือไเกียบครับคือ็นห่วงเเรื่อยดับท่า่เทําบ้างกนน่้ว่าห ทำเดทททดททททได้เนแบบเียาเชใจั mm. <c bir ocalypse> ่จดวกรสังทดีเพ่าการสบุญเีวน้าขาาดหือน่าิ่นจุดเด่นหาอันนจเะสมอร่อล้นังกาหน่อให้ตงกยก ให้คิดเก็คือวานคือจะตดนนาช่วงเลย้อแ้กาไอไว้หันได้เดนหรีอมันไปบไปกินเยอมมากินเองดีต้จะอกรงวาอสด่อยมันเาอกานง่ายน เีอกสถานที Jonathan, well. I spa, I spa, then, ่ทางท่บนทุ่งท่าแต่ทนั่งเดียวกันคือเปน้าวัเสอท่าซุนหักลาวเป็นข่าเป็นเจ้าเป็นรเป็นไท่านสถานที่เราจะชื่อกันละอย่าเดไปคิดข่านังนน้มันเชื่อกับกอนแผ่นดินน้ำมันเชื่อกันก็น้ำมันเชื่อจัแผ่นดินบ้นมึดีนี่ท่านสมบูรณ์เด็กปยตอนนี้ ทันดินแห้งน่งแงขมันจาติดอีไห่งแต่เพ่เต้นขนใช้ไล่แห้งนั่งกันจตดใเี่ยายังรนนท่าหาขนเสียงขั้เลือสายท้าทคืั้นดินกระุกปุยละขนท่บนข้นทา้นนี่ต้งหน้ากับตั้งเหลือแห้งสายท้ามคือไรขั้นเล่นีสาทามขั้้จอขั้นองขั้นนอกนั่ นีกันีนีนขไปคตีคุกาาถูกตองูกท่หา้มันมังสมสมจำ้ขนีเินถาีนลูก้เหยันนกไ่อ่ตไปดนน่ว่ว่าา ข้าวหน่อยนะก็ตองเลือกข้ม่มันถูกต้องงันาห่สยของเชิงจังข้าวังไสไม่สไปใส่ชิญีเสหางนจนเจ้าขับปีข้าห่อยองเลีอกขาวตังซีท้ามเอย่าไหมออแดดกฝนไห่เจเติมไปจะไปสอนังไง้มาเด็ดสอนเชิญซีเชิญหา้าแนี่หนไม่ตา มีชิดมีใสที่จดูที่ต้องที่จะชิดเกนไรันดีมันอบมันถูกต้องมันหมาะสมถ้ากิดถาท่ใทีน้าหอทไปเลยหลอกฝนมาทงเส้นเอีงคืน่ารักคือแงกาให้ทำนห้ทำ้าไปเลยว่ามันเ้นเอียงคือน่าเกลียเกียวเอาความห้าเ้าเอียงก็เป็นที่ถูกเกลียวเป็นแบสองข้อเข็ดของฝนของสายของงาแล้วู่ว เนี่บะหน่หน่อของข้าวโกนาข้วเนี่ยเกินได้คนอื่นแต่ไม่ค่อยนอนีส่กามนอนเฉยแต่บุนผู้สมเนื่องเป็นท้าวหน่อรน่างาข้าวเนี่ยม่ป๊าบรไส้หมอะไรเงี้ย่มอะไรนี่เสืนี่มัอคือมลงอไร่แค่ถ้ำไหวเลยของเนีป็นาองข้าวหน่อหน่าแม่ป๊าบเป็นของคนอื่นเื่อบุญผู้สมแข็งห นำธนูขีดเาไวกแผลงาไว้นี่ส้น okay ีเอาลเลยสมบูรณ์จับสพืออายสราาบุทุเอาว้้จะมาสบัต้อาเกิดินหน้แผงหาใจห่เถเย้จนถอนจนอนยาจนตาจนหน้าแหน่มจิต่มัน่มีอยงไรไม่เกิด้มนเหนื่อยไม่่สิลีเล่อยม่บมันดึส้นานี้่มันเลย คุนหลนได้กูเกย์งสำนักบ้านมาช่วเห็นทาง้านขีดขขอนดอกใหญนัเห็นว่แห่อจังี้ข้อนว่นีบุญนะอันน้อยกองถู้างหน่อยหนกับีอัคเป็นไปไม่ต้องเี่ยนทังเสียขี้ข้อน่าีบุญอนอาชัว่นี่บุญเทศอันน้อยจถูกจังละข้ามอันน้อยถูกจังละใบหนาห่อยเส่าขัดมบต Tang, อยู่ที่ขนยืบุ้นย่องวางทัยช่องกมาทากระชายอาศัยการหายถ้ากันพืางใจช่วยชอัน่นอัยขีดที่การักษาสารละลายทั้งทงที่ราขีดนี่วังใช่วยชตงัดแน่นและมีดอกไข่หยดเดือน ส้มตีนนี่ไขา่ข้าวนาไหนกบเบียนีไเนี่ยาส่ใแค่ไีขาครับบ้งหาสม่งี่ข้าูหนาาใช้แค่ี้ร่เบยเบียนี่ก็เป็น ทีดปนนอ้เห็นปลาด่างให้เห็นลายางเเสียเอวยนอนส่สายางเง่เ็ยงี่ให้มีบืมสมัลกนม่ข่ไม่แวนมให้บมอืนอไสายเดูเด่นต็ม